ส่วนคาถาที่4ี่สอันนี้พระประเจกองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายของกลุ่มพระประเจกก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าได้ยินว่าพระประเจกกับพระพุทธเจ้าชื่อว่ามาตังคะองค์สุดท้ายของพระประเจกกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายองค์สุดท้าย อ, าอะไรเป็นเครื่องวัดก็คือเกือบถึงสมัยพระพุทธเจ้าแล้วคือพระประเจกกับพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดร่วมสมัยกันเนี่ยนะ พระปเจกองค์สุดท้ายนี้ท่านอาศัยอยู่ณพระนครราชครึกครั้งนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ของเราอุบัติขึ้นแล้วพระปเจกก็ยังท่ารหารนี่ยังมีอยู่นะแล้วพระปเจกกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระารหารก็อยู่พระโพธิสัตว์ก็เราก็ประสูติขึ้นเทวดาทั้งหลายก็พากันมาเพื่อประโยชน์แก่การบูชาพระโพธิสัตว์เห็นมาตังคะปเจกกับพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าท่านผู้นิรุทุกท่านผู้นิรุตุกพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลก เทวดาบอกพระประเจกว่าตอนเนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระประเจกกับพุทธเจ้านั้นก็ออกจากนิโรธคือออกจากนิโรธสมาบัติได้ฟังเสียงนั้นแล้วก็มีความเห็นว่าความสิ้นไปแห่งชีวิตของตนอย่างเดียวก็เกือบสิ้นชีวิตแล้วเราเนี่ยจะสิน้นสิ้นชีวิตแล้วก็เหาะไปที่ภูเขาชื่อว่ามหาปปาตะในหิมวันตะประเทศเป็นที่ปรินิพานของพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลาย แต่ล้วก็ใส่โครงกระดูกของพระปเจกคจผู้ปรินิพานแล้วในการก่อนใส่ลงไปในเหวเอาพระธาตุพระธาตุรธาตุรวมใส่ลงไปในเหวกล่าวเป็นคถาวาราคันจะโทสันจะปหายะโมหังสันธาลยิตวานะสังโยชนานี้อสันอะสันตัสสังชีวิตสังขยมหิเอโกเจเรค้าวิสานากัปโปบุคคลละราคะโทสัและโมหะแล้ว ทำลายสังโยชน์ทั้งหลายแล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกฉะนั้นเนี่ยนะอันก็สิ้นราคะโทสะและโมหะก็เหมือนกับกล่าวแล้วในอุรคัสูตกึกละราคะโทสะโมหะด้วยด้วยอะไรด้วยตะทางข่าประหารวิขำพระนะประหารสมุเฉทประหารปฏิปัสสัที่ประหารและนิสรณะประหารก็คือละราคะโทสะโมหะด้วย สมถะด้วยวิปัสนาเนี่ยนะหรือราคาโทสะโมหะด้วยศีลสมาธิปัญญาราคาโทสะโมหะด้วยอธิศีลศิกขาที่จิตศิขาและอธิปัญญาศิกขาที่เรียกกันว่าสมถาวิปัสนาอริยมรรคตัดราคาโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาด สังโยชนานี้ก็คือทำลายสังโยชดด้วยมรคนั้นๆเนี่ย น, น, น, นะเช่นโสดาปฏิมร ก, ก็ทำลายสังโยชน์คือสั ก, กายยทิฐิวิจิกิจชาสีละพัตตปรามาตอันนะมัฉริยะสังโยชดอิสาสังโยช์เนี่ยนะอิจชาริษยาสังโยดนี่ถูกโสดาปฏิมรละได้แล้วเนี่ยนะฉันพระโสดาบันเนี่ยไม่มีจิตใจที่ริษยาไม่มีใจที่ตรณีนีทีเนียวเนี่ยไม่มีอนาคามีมร ก, ก็ทำลาย การมราคะและพยาบาทสังโย่ได้โดยสิ้นเชิงอรหัตธรรคก็ทำลายฉันทราคะในรูปประพบารูปประพบทำลายมานะตักอุทจฉะและอวิชชาความโง่เขลาโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะบทว่าอาศันตสังชีวิตสังขยมหิการจุติคือการแตกดับแห่งจิตเรียกวความสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นถึงความสิ้นชีวิตก็ไม่มีความสะดุง้งเพราะตัดฉันทราคะในชีวิตเบ็ดเสร็จแล้ว ชีวิตจะสิ้นไปก็สิ้นไปแต่ว่าใจที่ที่มีฉันทราคะในชีวิตไม่มีแล้วเนี่ยนะก็คนที่ที่สะดุ้งตกใจเนี่ยก็เพราะเยื่อใยในชีวิตนั่นเองเอ่ถ้าเราเปรียบเทียบให้ฟังสักนิดหนึ่งเนี่ยนะว่าผู้ที่ตัดฉันทราคะได้แล้วเนี่ยนะด้วยเห็นภัยในสิ่งเหล่านั้นจริงๆเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ลองคิดดูแม้แต่ถ้าเราไม่มีฉันทราคะในสิ่งนั้นนะ สิ่งนั้นจะสิ้นไปเนี่ยนะเราก็ไม่เสียใจโดยปกติเช่นว่าเราเห็นว่าเล็บมันยาวหน้ารําคาญมากตัดเล็บร้องไห้เลยไหมไม่ถ้าเรารบอกว่ามันรำคาญเราไม่ต้องการอึด อ, ดอัดไม่มีฉันทราคะตัดกรบกรัไปก็จบเลยเออดีใจด้ยวยเอาไปทิ้งไกลๆเลยไปอย่งเ้ยนะถ้าถามว่าถ้าผมมันยาวรกรุงรังอ้ยหน้ารําคาญเนี่ยนะไปตัดผมเนี่ยเสียใจไหมโอยเนี่ยเส้นนี้ก็ขาดแล้วเส้นนี้ก็ขาดแล้วเศร้าใจเลยไหมไม่ หรือคนที่ถมน้ำลายที่ปากเลยนะว่าโอยลำตายเชือโรคเต็มไปหมดเลยอมไว้ไม่ได้ต้องบ้วนทิ้งเนี่ยนะถามว่าโอ้ยอะไรอาวรเวอะเกินหากระโถนทองคำมารองเร็วอย่างงยไม่เอาไปไว้ไกลๆเลยเดี๋ยวมันจะติดเชื้อเนี่ยนะเพราะอะไรฉันใดก็ดีหรือเหมือนแปลงฟันเนี่ยนะไอ้พวกเศษอาหารที่อยู่ข้างๆฟันเนี่ยเราติดใจไหมบอกไม่หรือว่าเวลาอาบน้ำเ น, นี่ยนะ พวกหนังเ ก, เก่าที่มันหลุดออกไปนี่เราอาไยอาวรนไหมก็ไม่อาอรออไลอาวรนอะไรคนที่โกนหนวดโกนเคราเป็นต้นเนี่ยนะเขาค่อยตัดออกไปนี่อาไลอาวรนไหมก็ไม่อาวรนเคยอาไลอาวรนมากโอเสียดายมากเลยนะเก็บเอาไว้ด้วยไม่มีฉันใดแล้วไอ้ส่วนเดินที่มันมีอยู่ก็ฉันนั้นนั่นแหละคือถ้าพิจารณาโดยรอบครอบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอาวอนนะมีอะไรน่าอาไลอาวรนไหมบอก ถ้าบอกว่าเรารู้ว่ากระดูกตัวไหนเนี่ยนะมันจะนําเป็นซึ่งมาซึ่งบอกว่าถ้าเก็บกระดูกชิ้นนี้ไว้แล้วกระดูกชิ้นนี้มันจะก่อมะเร็งเป็นต้นขึ้นมามะเร็งกระดูกเนี่ยนะอยากจะรักษาเอาไว้ตลอดไปไหมกระดูกของเราอยาเอาไปไหนเลยเอาไหมไม่เนี่ยนะถอนฟันเป็นต้นที่บอกโอ้ยมีฟันฟันที่มันแมงทั้งผุทั้งเปื่อยทั้งเน่าเป็นต้นเนี่ยนะอ้าปากทีก็เหม็นตลบอบอวนไปหมดไหมอยากจะรักษาเอาไว้ต่อไปไหมไอ้ชิ้นนั้นเนี่ยอ้าทำไมไม่อะไรอาวรนล่ะ ส่วนอื่นๆถ้าพิจารณาโดยเรียบคลายก็เหมือนกันอย่างลำไส้ของเราบอกโอ้ยมันอักเสบมันเรื้อรังเนี่มันเป็นมะเร็งแล้วนะเนี่ยอเอาออกเถอะเนี่ยอะไรเอาวอนคอร์คอเอาไว้เถอะไอ้ลำไส้อันนี้นะเอาไว้ไหมก็ไม่มีใครเอาไว้รอกฉันใดถ้าพิจารณาโดยเรียบคลายเนี่ยนะมันไม่ได้น่าอะไรยอาวรจริงๆถ้าผู้พิจารณาโดยละเอียดรอบข้อบตัดฉันราคะได้เสร็จสิ้นแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรยอาวรนเหมือนกัน น, นะนะก็ไม่ได้อะไรเอาวรนอะไรในกายเหล่านี้เลย ก็เหมือนกับว่าเห็นเรือที่มันรั่วๆนี่นะเรือรั่วที่จะจมไม่จมแล้แล้วมีเรือดีกว่าเนี่นะจะขอเกาะอยู่กับเรือจมเหล่านี้ตลอดไปไหมหรอกไม่เอาแล้วเนี่ยนะหรือไม่คิดจะเปลี่ยนรองเท้าเลยหรืออย่า น, นั้นนะขอใช้คู่เก่าๆผุๆเหล่านั้นนะะก็ไม่หรอกฉันใดากายเหล่านี้ก็ฉันนั้นถ้าพิจารณาโดยเย็บใครใครครวนโดยละเอียดทีท้วนเนี่ยนะตามหลักลักษณะของการพิจารณา จำแนวอริยสัจแล้วไม่ได้มีอะไรหน่าอะไรอาวรเลยสรุปว่าควรจะตายด้วยใจที่อะไรอาวรหรือควรที่จะจากไปด้วยใจที่สงบอะไรอาวรเหลือเกินเดี๋ยวจะต้องจากผมแล้วนะอุตสาห์แหมตัดผมแต่งผมมาขนาดนี้จะต้องจากแล้วหรือเป็นต้นถ้าอะไรอาวรขนาดนั้นก็น่าจะเป็นเห็บเป็นหาอยู่แถวนั้นเลยถ้าอะไรสิ่งใดก็แหมพันๆอยู่กับแถวสิ่งนั้นน่าระวังให้ดีนียอย่าไปติดข้องมากร่างกายเนี่ย มันจะเป็นมันจะตายก็ช่างมันเถอะแต่ว่าก็ดูแลไปตามเรื่องตาราไปนะดูแลเหมือนดูแลแผลสดที่รักษาไม่หายสักทีหนึ่งก็ให้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าโมอาัยอาวรนติดข้องทางแต่แป้งนั่นเนะี่ก็เป็นนกกระยางนะไม่อันนี้เล่าตามในธรรมบทไม่ได้ว่านะถ้าใครรับเอาก็ตามใจในคาถานี้มีอธิบายว่าพระสารีบุตรอธิบายว่าความกำหนัดเป็นต้นชื่อว่าราคาจิตที่ดูร้ายเนี่ยนะ จิตอาฆาตใจดูร้ายความแค้นจนถึงน้ำตาไหลเป็นต้นความไม่พอใจชื่อว่าโทสะโมหะก็คือความไม่รู้อริยสัจเรียกว่าโมหะการละราคะโทสะและโมหะของพระประเจกพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะละสละบันเทาทําให้สิ้นสดให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าละแล้วซึ่งราคะโทสะและโมหะ คำว่าสังโยชน์ก็คือสังโยชน์สิบนะท่านละได้หมดแล้วคำว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตความว่าพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นไม่หวาดเสียวไม่หวาดวันไม่ครั่นคราดไม่สะดุ้งไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่พร่านไม่กลัวไม่สะทกสะท้านไม่หนีละความกลัวและความคลาดได้แล้วปราศจากคนลุกขนพองในเวลาสิ้นสุดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่สะดุ้ง ในเวลาสิ้นชีวิตเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอรกจะขออะไรอววรกับกายนี่ด้วยจะจะอยู่หรือจะไปกันดีกันนะจะจากหรือจะอยู่อนนะอยู่ก็มันอยู่ตลอดไปได้ไหมอย่างเง้นะโอ้ยอะไรจะทุกข์เท่ากายไม่มีอีกแล้ว